เรื่องไม่ออกไปหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งลักจีวรในวิหารคิดว่าหากตนออกไปจากวิหารจะเป็นปาราชิกจึงไม่ยอมออกไปจากวิหารภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโม่ะบุรุษนั้นจอกจากวิหารหรือไม่ออกก็ตามก็ต้องอบัตปาราชิกวงเล็บเรื่องที่59